การอาหารชาลีอาหารที่วรังอายาจะทานสันติทาสานตาปาราชังไยอาทิกา เดเสตถามังอนุกัมปิมังปัญชานี่มันดาขนาดไหนท่านทั้งหลายคงจะแปลกใจทำไมอยู่ๆหลวงพ่อบุญมีถึงโผล่ขึ้นมาฮะแปลกใจไหม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 ลูกหลานของหลวงตาสิสยานุสิทธิ์ลูกหลานของหลวงปู่บุญมีปริปุนโนซึ่งท่านเป็นเปรียบเส ม, มือนพี่ใหญ่ของพระเราที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เมื่อวันที่สิบสองสิงหาที่แล้วเป็นวันครบรอบวาระร้อยสองปีของหลวงตาใช่หรือเปล่า หรือร้อยหนึ่งปีหรือร้อยสองปีร้อยสองปีเมื่อวันที่แกันยายนที่แล้วก็เป็นวาระครบ92ปี64ี่พรรษาของหลวงปู่ลีกุสละทโรวาระนี้ตอนค่ำวันนี้และพรุ่งนี้ เป็นวาระเป็นอดมมงคลอีกวาระหนึ่งลุงปูวุลมีของเราอ า, อายุวัฒนะมงคลของท่านครบรอบเท่าไรแ8 8สิบแาครบรอบ88เข้า89ดสิบาพันศาหกลุงปูวุลมีของเราเนี่ยก่อนลุงปูรีสีพันษาใช่ไหม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 เป็นเวลาถึงชั่วโมงครึง่งท่านว่าจะพูดนิดหน่อยแต่ก็แค่ชั่วโมงครึ่งเองอท่านพูดฟังราบเรียบื่นธรรมกะถึกชี้แจงอัดทำให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟัง <c oughs> ประรอบถึงเรื่องอบูชาหลวงปู่มี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 สังขารทั้งหลายไม่เคยคงที่สังขารทุกอย่างทั้งที่มีใจครองไม่มีใจครองไม่เคยคงที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัต ถ, ถุรอบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพัดลมทุกอย่างสารพัที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสังขารใดแม้ม็ดหินเม็ดทรายที่จะอยู่คงที่ได้ ผู้เห็นสัจธรรมข้อนี้คือพระพุทธเจ้าของเราห น, นึ่งขยาวยธรรมมาสังคาราพวกเรารำพึงรำพันได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้เราไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นรีบมาใครยังไม่ขึ้นมารีบมามาทําให้เกิดอดมมงคนในใจของเราอีกวาระหนึ่งอทีแรกผู้จัดวาระปรลบธรรมะ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 แม้แต่เสียงส่งมาที่เสียงที่ภูเทศทำก็ม่ให้ส่งมาทําทความรู้อยู่เฉพาะใจของตัวเองอยู่กับพุทโธพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโ ธ, ทโธถ้าไม่อยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธมันมาเกาะอยู่กับเสียงธรรมแล้วก็เกาะไปเรื่อยๆเกาะเหมือนกับคมที่สุดแหลมที่สุดคมที่สุดเกาะอยู่กับเสียงธรรมแล้วก็เกาะไปเรื่อยๆเกาะไปเรื่อยๆเกาะไปเรื่อยๆทําให้จิตตรงนั้นเนี่ย ได้ผลได้ผลมากกว่าทำโดยลําพังเบื้องแรกท่านอาจารย์อินท่านปรารบถึงพุทธวจนะเดี๋ยวนี้คนเอาพุทธวจนะไปประกาศไปเผยแพร่เอาธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าไปประกาศไปเผยแพร่ดังระเบิดเลยอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ทำไมท่านจึงปรารบขึ้นเพราะว่ามันเป็นอย่งงางนั้นจริงๆพุทธวจนะก็คือคาพูดของพระพุทธเจ้า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 ทีนี้หลวงตาท่านก็สืบทอดมาจากลูงผู้มั่นถ้าเราจะพูดอีกอันหนึ่งว่าหลวงตาท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่แสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกปัจจุบันท่านฟังแล้วท่านมีความขัดแย้งอยู่ในใจไหมท่านไม่ขัดแย้งเยอยู่ในใจเราพูดตามท่านเราพูดตามท่านเราฟังคำพูดเหล่านี้แล้ว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 ด้วยความเป็นธรรมด้วยความเข้าถึงธรรมที่เขเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทเพราะฉะนั้นอัตธรรมของพระพุทธเจ้าสืบทอดมามาจนถึงปัจจุบันนั้นสืบทอดมาได้เพราะปฏิเวทจิงอยู่ท่านพูดถึงสัจธรรมสามสัจธรรมคือปริยัตปฏิบัตปฏิเวทการได้ยินได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นปริยัตยนะเมื่อได้ยินเมื่อได้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเอาไปใคร่ครวญอย่างที่ท่านเรียกว่าสุตะเมื่อสุตะได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องเอาไปจินตะไปนึกไปคิดไปวินิจฉัยไปใคร่ครวญนะเป็นสุตะเป็นจินตะเป็นปัญญาเป็นปัญญาญานเป็นทัศนะ์เป็นญาณทัศนะเป็น วิปัสนาเป็นวิปัสนาญาณแท้จริงหลักใหญ่ที่พุทธิยถาท่านทรงแสดงก็เหมือนอย่างที่เราสวดธรรมจักรที่ผ่านไปแล้วโดยที่ท่านยกธรรมทางหนทางสามสามสา ม, า ม, า ม, ามหนทางการบรสลุกิริกา ร, าการุโยกประกอบตนโพภานัยการมเป็นทางสายหนึ่งอันนี้เป็นทางที่หย่อน อ, อัตกิลามัทานุโยกเป็นทางอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่ประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าและท่านเปิดทางเส้นใหม่ให้พวกเราเดินมัตชีมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาสัมมากรรมันโตสัมมาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสรุปลงแล้วก็คือต้องเกี่ยวข้องกับศีลทำศีลอย่างยิ่งจนเป็นอธิศิลป์กิจจะต้องเกี่ยวข้องกับสมาธิทาสมาธิให้ยิ่ง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 พุทธวิจะนะอยู่สอนกันเรื่องธรรมะจากพระโอษฏ์อยู่บางทีก็เข้าใจว่าปริยัติเหล่านั้นเป็นปฏิบัติก็มีแต่สายวัดป่าครูบายจารย์เราท่านพูดถึงปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติเหมือนอย่างที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังลุงผัวเสาเนะี่ยมีคนไปถามว่าท่านให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธภาวนาพุโทโธแล้วได้อะไรภาวนาพุโทโธแล้วเห็นอะไรไม่ต้องถามไปทํา ภาวนาพุทโธแล้วได้อะไรไม่ต้องถามไปทําทําให้มากเจริญให้มากพระธรรมคุบุตเจ้าที่ท่านพูดพอประมาณ8ป0 0 0สี่พันพระธรรมขันเท่ากับใบไม้ในกำมือเท่านั้นเองมีอยู่วันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าประดู่ลายกับพระอ น, นุลถามพระอ น, นุ์ว่าใบไม้ในป่าประดู่ลายเนี่ยในป่าทั้งหมดน่ยกับ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 ยังไม่มีมกักมีผลอะไรพอที่จะเจริญงอกเงยหน่ว ใ, ใจขึ้นมาได้แต่สำหรับผู้ที่เข้าถึงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเริ่มต้นมาจากการได้ยินได้ฟังตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาไปสุ ต, ตะเอาไปจินตะจนเป็นปัญญาเป็นปัญญายาณขึ้นมาได้เป็นศัตรูธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มร้อยอย่างแท้จริงะจะไม่มีอะไรแตกต่างกันพระสงฆ์500องค์ที่ทํา พสมสังคายานาอยู่ที่ถ้าสัตตบันณะคูหาคือผู้เข้าถึงธรรมทั้งนั้นใบไม้ในกํามือพรุทธเจ้าท่านก็เห็นท่านก็เข้าใจใบไม้อยู่นอกกำมือของพุทธเจ้าท่านก็เห็นท่านเท่าเข้าใจถ้าหากเราจะเอาประเดน๋ยวมาม า, มาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเจริญศินเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแต่ศีล น, นั้นพระองค์ทรงบัญญัติเพราะศินนั้นเป็นบัญญัติ แต่ธรรมะนั้นมีสัจธรรมรองรับท่านจึงสอนกลางๆให้เราทำจะให้สงบท้านเรียกว่าสมถะและท่านสอนให้เรามีปัญญาท่านจึงเรียกว่าปัญญามีเรียกเป็นสมถะและวิปัสสนาหรือมีเรียกว่าสมาธิแล้วก็เรียกว่าปัญญาท่านจะไปเอาบทไหนก็ตามมาบริกรรมให้จิตสงบเป็นสมถะททางนั้น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 สามประเภทสี่ประเภทสุขวิปัสสโกมีความรู้แค่พอทำให้ความโลภความโกรธความหลงในหัวใจหมดไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิง Cho, David Cha, David Cha เตวิชโชได้วิชาได้วิชาสามระลึกได้ปุเพนิวาสานุสติ ญ, ญาณเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อินท่านแสดงไปแล้วนั่นแหล ะ, ะแล้วก็มีจุตูปปตาตญาณ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 มีภูเพนิวาสานุสติยานจตุปปัตยานและอาสาวักขยายนคาอาสวักขยานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญในปัจฉิมยามนั่นแหละท่านทําไปทําไปทําไปทําไปพิจารณาไล่ตอ้อนอวิชชาตันหาวปาฐานไล่ลไปไล่มาไล่ม า, า, าไล่ไปมีญาณทัศนะอย่างรู้ว่าจิตของพระองค์เนี่ยหมดจดบริสุทธิ์โดยชิ้นเชิงจะเกิดญาณทัศน์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น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 เราเรียนไปตามนั้นไล่เหมือนกับเราไล่ต้นตามความรู้ที่ท่านเอามาบอกมาสอนเราแต่โอกาสที่เราจะถ้าสมมติเราหลงเราลืมเราไม่ได้ย่อนหรือย้อนไปถึงหลักอริยมรมีองค์แปอันเรียกว่าศิลอันเรียกว่าสมาธิอันเรียกว่าปัญญาแล้วยังชื่อว่าเรายังไม่เดินตามมรให้ถูกต้องเลยเรากําลังค้นหามร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 สมุทยได้ย่อมไม่ประสบผลที่เรียกว่าปฏิเวทะปฏิเวทะดีไม่ดีก็หลงงมงายกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปคำว่าสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมคำว่าปฏิรูปปฏิรูปแปล ว, ว่าปลอมสัทธรรมปฏิรูปปฏิมากรปฏิมากรคือรูปปลอมรูปปลอมของพระพุทธเจ้า ธรรมปฏิรูปหรือสักธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมคำว่าธรรมปลอมคือธรรมะที่เดินไม่ถูกตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาบางครั้งเราได้ยินได้ฟังเราจะเห็นว่าเขาพูดในเรื่องเขาพูดในเรื่องปัญญาพูดในเรื่องปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องสมถะอะไรโอยเสียเวลาเสียเวลาแน่ตัดสมาธิของพระพุทธเจ้าออกแล้วมันไม่ครบมันไม่ครบหนทางที่จะพาทําให้เราก้าวไปสู่มรรคสู่ผลอย่างแท้จริงได้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 เหมือนกับเราตามนับความโลภความโกรธที่ไหนมันจะสงบระ ง, งับลงไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงบระ ง, งับซะก่อนสงบระ ง, งับให้จิตนิ่งอยู่กับที่สะก่อนนี่คือส ม, มถะเพื่อให้จิตดวงนั้นมีกำลังตราบใดที่เรายังไม่สงบระ ง, งับให้จิตแนบแน่นมั่นคงในภายในแล้วจิตของเราจะจะไม่มีกาลังเราตามรู้ก็ตามรู้ไปเฉย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 ลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาอาจารย์ที่เป็นธรรมกตถกอาจารย์ธรรมกัตถ์สอนเรื่องธรรมทอ น, อ, น, อ, นอ่ะโอ้ยหน้าเบื่อหน่ายเหลือเกินมากมาเหลือเกินจําไม่ไหวจําไม่ได้ก็ไปหาเวลาไปหาอาจารย์ที่เป็นธรรมทรเป็นผู้ส่งพระวินัยท่านสอนเรื่องข้อนั้นห้ามอย่างนั้นข้อนั้ น, น, นห้ามอย่างนั้นข้อนั้นห้ามเห่างนั้นโอ้ยทำไมเราไม่ไหวแล้วสติปัญญาของเราทรงไม่ไหวไปขอขอลาภุสิเจา้าไปจะศึกเอ้ยเธอไม่ต้องเอาเอาอย่างเดียวได้ไหมเอาใจนี่เห็นไหม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 เหมือนอย่างพระจุลปันทกเงี้ยเราฟังดูพระจุลปันทกเป็นน้องชายของพระมหาปันทกนพระจุลปันทกเนี่ยพี่ชายสอนให้เรียนกรถาสี่แถวหนึ่งบาทนี่ยหนึ่งหนบาทสี่บาทเป็นหนึ่งกระานะแค่ ถ, ถ้าจะมาตั้งเป็นแถวได้แค่สองแถวแค่นี้ตลอดสามเดือนจําไม่ได้พี่ชายก็เลยทรมานพอออกพรรษาเนี่ยหมอชีวก นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภาษาวกไปชั้นที่ชีวกรรมพวันที่ที่สวนหมอชีวกน่ะไปแล้วก็ไปอังคาตอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วพระพุทธเจ้ า, อ า, อ, าอาหารทั้งหลายพระสงฆ์สาวกก็จัดถวายอังคาตเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขอขอให้พระพุทธเจ้าให้พรว่ายังไม่หมดพระสงฆ์ยังไม่หมดยังมีอยู่ที่วัตรหนึ่งองค์ให้คนไปตาม พอไปตามที่ไหนได้พระจุลปันถกเนี่ยหลังจากพี่ชายไม่ให้มาฉันด้วยเสียใจจะออกไปศึกจะออกไปศึกพอหมู่เพื่อนเข้ามาที่สวนหมอชีพวพจุลปันทกออกไปหลังวัดพุทธเจ้าอยู่ในเรดา้าของพุทธเจ้าหมดพระองค์ก็บันดาลไปขวางเอาไว้เธอจะไปไหนไปศึกพระเจ้าข้าทําไมล่ะพี่ชายทําให้กระหม่อมได้รับความอับอายไม่ให้ไปฉันไม่อะไร ามานี้เธอไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายเธอนี่นะเธอบวชอุทิศเรามาแล้วก็นเนรมิตผ้าขาวให้ให้เธอเให้เธอบริกรรมอยู่นี่นะทำงานอยู่ตรงนี้นะให้ฟังเรานะผ้าขาวผ่องให้พระพุทธเจ้าเนรมิตให้พระจุลปัรทนะุกเนี่ยบริกรรมมือหนึ่งก็ถือผ้าขาวไว้มือหนึ่งก็บริกรรมบนผ้าขาวแล้วก็โูกไปคลาไประชโชหรนังระชโชหรนังระชโชหนัง บริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปด้วยความเชื่อของพระพุทธเจ้าและด้วยอุบายวิธีของของพระพุทธเจ้าซึ่งพระจุลบรรทกรนะเป็นประเภทพุทธเวรในพอทําไปไม่นานไปทําไปไม่นานลูกไปลูกไปลูกไ ป, ล, กไปละชวร์นังละชวร์นังจิตก็เริ่มสงบพรอจิตเริ่มสงบผ้าขาวพองนั่นแหะเริ่มมองลงมองลงคือดําลงดําลงดําลงเกิดปัญญาอ้าวว่า ตัวเรานี่สกปรกมากเมื่อก่อนนั้นขาวผ่องผ้าขาวผ่องด้วยเหตุที่เรามือไปลูบไปสัมผัสลูบไปลูบไปลูบไปลูบไปผ้าเลยดำลงน่ได้ได้ปฏิกูลสัญญาพุทธเจ้าก็นเริมิศวิปัสสนามาให้พิจรารณาปึง้งเดียวได้บรรลุพร้อมด้วยวิวิะทเรียกว่าวิชาพลิกจิตพลิกจิตจากคนคนเดียวเนี่ยแปลงให้เป็นหนึ่งพันคนได้ มันเล็มมันลุกเป็นพระอาหารปึ้งเดียวคุณสมบัติเหล่านั้นมาพร้อมเลยพอเวลาคนเข้าไปตามอา้าวเนรมิตพระเป็นพันองค์ทั้งกวาดทั้งยืนเดินจงกรมทั้งนน้ทนทําน้นทำเต็มวัดไปหมดโอ้ไม่ใช่พระหนึ่งองค์เขากลับมาบอกพระเต็มวัดเลยอ้าไปเรียกหาพระชื่อจุลบันทกนะให้ไปใหม่ไปเรียกชื่อจุลบันทกุกพอไปเรียกจุลบันทกเต็มไปหมดกลับมาอีกอา้าวใครบอกว่าชื่อจุลบันทกก็ไปจั บ, ไป จ, บไปจับมือของคนนั้น พอไปวาระที่สไปจับมือพอจับมือก็รูปทั้งหลายเหล่านั้นก็หายหมดนะแล้วได้พระจุลบรรทกเนี่ยไปฉันพัทหารที่สวนหมอชีวกนี่คือเป็นประเภทพุทธเฝื่อในพี่ชัยสอนเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่เวลามันรู้น่อรู้แบบพลิกจิตเขาเรียกว่าวิชาพลิกจิตนี่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้เพราะคนเรามันมีอุปนิสัยไม่เหมือนกัน อย่างพระจุลบัรพกถนะท่านมีอุปนิสัยย้อนไปถึงอดีตชาติว่าท่านเคยเป็นพระราชาแล้วก็นั่งช้างเที่ยวดูเมืองเที่ยวไป ด, ดูไปดูไปดูไปร้อนเหงือ่อเหงื่อแตกมกักเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าลเหลงื่อแตกเห็นผ้าดำปึด๊ดได้รับได้รับความสงบได้รับความสลดใจเ้าเรียกว่าได้ปฏิกูลสัญญาแค่นั้นเอง กลายเป็นนิสัยกลายเป็นอุปนิสัยติดมาจนวราระสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์นี่พระชาติสุดท้ายเนี่ยได้เป็นพระอรหรันต์นีท่านพูดถึงประเภทว่ า, าลูกศิษย์เนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันอีกประเภทหนึ่งก็จะตุ ป, ปิปฏิสัมพิทารู้อัดรู้ธรรู้นิรุตรู้ภาษารู้อัรู้เข้าใจเรื่องอัดเข้าใจเรื่องรมเข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องภาษา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 ที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาทำไว้รวมเป็นห้าเล่มอันนี้ท่านทําไว้ดีแล้วซึ่งเป็นผลงานของท่านถ้าหากใครอยากจะศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์กอาหนังสือเหล่านี้พุทธเจ้าพระทศาสน์ท่านเผยแผ่ ม, มานานแล้วท่านแปลอักขระอะไรแต่ไรดีดีตามหลักไวยากรณ์อะไรครบถ้วนหมดแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็คือพระสงฆ์สาวกที่ท่านทรงอัดทรงทรํำนั่นแหละ มาพูดมาแจกแจงมาแสดงกิริยาเราดูที่ทำสังขยาณาครั้งที่สองก็ยังไม่มีการจดจารึกดูเหมือนจะทําสังขยาณาครั้งที่สหรือเปล่าที่มีการจดจารึกทําที่ไหนทำทำสังขยาณาครั้งที่สมไม่ใช่ทําที่วัดอโศการามเหรอที่เมืองปาตารีบุตรใครเคยไปอินเดียไปดูวัดไปดูวัดนี่ไปดูวัดอโศการามมันอ ย, อยู่อยู่ติดหนทางเลยแหละ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 แต่ท่านไม่ปฏิเสธว่าการลงมือทาแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะมีวิบากมันจะมีผลปรากฏหลงเหลืออยู่แต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมส่วนละเอียดลึกก็ไปซึ่งเราจะเปรียสมมณ์เปลวไฟที่เราจะพึงได้มันเกิดขึ้นอย่างไม่ได้อาจากไอที่สดๆจากที่ชุ่มด้วยางถ้าเราถูแบบไม่หยุดถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆอยางเหล่านั้นมันก็เริ่มเหือเริ่มเหือไปแต่โอกาสที่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 แต่ท่านเห็นความยาวไกลของวัฏสงสารมีความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นก็เลยเออเอาเอ า, เอาแค่พ้นทุกข์เถอะพอเวลาท่านย่อนมาแค่นี้ท่านก็นเลยไปได้ง่ายแต่คุณสมบัติเหล่านั้นยังมีอยู่นี่คุณสมบัติของพระุทธเจ้ามีสิ่งเหล่านี้ไว้ทำไมมีไว้เพื่อทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิทรมานพวกดือด้อๆอ่าเหมือนอย่างทรมาน อ, อุลุเวลาเหมือนทรมานพระกสปานอุลุเวลากสปานั่นแหละ ทไปทรามารเป็นร้อยๆเป็นพันๆอย่างเพื่อให้รูเวลากสบะเห็นความสําคัญในขณะที่ทรามานคือแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้เห็นให้ปรากฏแต่ด้วยเหตุที่มิจฉาทิฏฐินอกพระศาสนาเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิเหล่านั้นรูธิยาแสดงให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในหัวใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีความชมอยู่โอ้ท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันต์ทุกครั้งก็ว่าอย่อยางนี้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 วิสัยของพระศ า, ศาสดามีฤทธิ์มีเดชสลับทรมานพวกเดือยอย่างนี้แหละมิจฉาทิฏฐิมากมายมหาสารยิ่งสมัยพระองค์ทรงพระชนอยู่ด้วยแล้ว ย, ยุคสมัยของพระองค์เนี่ยเราฟังดูแต่พวกครูทั้งหกเอวยอพวกอาเจลกเอยพวกสัญชัยเอยพวกปริพายชกพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดไปบอกไปสอนต่างคนต่างก็มีลูกศิษย์เต็มไปหม ด, นะมมหมดพทุทธิย้าทาไงอะ พุทธิ์เจ้าทำไงในใ น, ในเมื่อเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเล็งเห็นโอ้ถ้าเราไปแย่รังแตนแย่รังตัวนี้ได้เราก็จะได้ประสบสาวอย่างเร็วพุทธิยาท่านให้ความสำคัญกับพระสงฆ์สาวหลังจากมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลก61องค์รวมทั้งพระองค์ด้วยเป็น61อ็ดองนะสิริพระองค์ก็ทรงไปประกระาศศาสนาเธอทั้งหลายจงรีบไปไปอย่าซ้ากันให้เป็นสอง ไปทางละองค์ทางละองทางละองรีบเอาธรรมะเอาศรรีลสมาธิเอาปัญญาเนี่ยเลยไปสอนให้เขาเอาน้ําเย็นเย็นไประ ง, งับไปดับไฟในหัวใจของเขารีบไปรีบไปอย่าชักช้าแม้แต่เราเองเราก็จะไปที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมแค่ยิงอุรุเวลาเสนานิคมก็คือเป็นเป็นดินแดนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมนั่นเองนะที่พุทธคยานี่ย น, นะเป็นดินแดนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมไป ก็พวกรู้เวลากระสบะเขาก็ตั้งอาสมอยู่แถวนั้นมีรวมทั้งพี่ทั้งน้องนะมีบริษัทบริวารจักเป็นพันพอไปทรมานพี่ได้น้องคนที่สองมีบริวาร300้อน้องคนที่ส ม, มีบริวาร200รวมเป็นหนึ่พกับ3ามองค์กุฏิจะไปทรมานทรมานพี่เสร็จน้องชายตามมาขอบวชอ่าพาบริษัทบริวารบวชน้องชายคนสูท้องตามมาเห็นขอบวช เส้วพระณ์ก็ไปทร ง, ง, งแสดงทำอาทิตตปริยัตสูตรที่ขยาศีสังคือที่ต้นน้ําขยานะเขาตั้งอาสมอยู่ที่ต้นน้าตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําขยาพุทธเจ้าเลยพาสาวกทั้งห่งพันสองค์เนี่ยไปแสดงทำอาทิตตปริยายสูตรอาทิตตปริยัตสูตรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่พระแม่กุบยาจารย์หลวงต า, ท, าท่านท่านท่านลงใจ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 เราดูข้อนี้เป็นอุปมาเอเราหรือเปล่า เ, เราดูข้อนี้ฝังข้อนี้เป็นอุปมาเราหรือเปล่าทำไมเราจึงไม่ไม่ไปหน้ามาหลังเราหรือเปล่าเราเป็นคารวา่าเราสามารถเอาใจออกจากกามได้ด้วยการเภาวนาใจได้รับความสงบครูบาอาจารย์สมัยยุคสมัยทุกวันนี่แหละครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเป็นพระสงฆดาบันตั้งแต่เป็นพระขาวอยู่ก็มี พกเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังถ้าใครไม่รู้จักไปหาถามๆกันดูพอลงตาท่านพูดเอาไว้ท่านเป็นคราว่าอยู่นั่นแหละท่านจะบวชทา่ทานได้เป็นพระสวสดิ์บันตั้งแตยง่ยังเป็นพระขาวอยู่ก็เพราะอะไรเพราะท่านเอาใจออกจากกามได้เอาใจออกจากกามได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถือเพศเป็นบนรัณฑิตก็ตามท่านสามารถเดินมักเดินผลให้เข้าสู่มักผลได้อย่างน้อยๆก็เป็นพระสวสดิบัณ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 ไม่สำคัญว่าน้าสายน้นน้ำสายนี้น้ําสายไหนทั้งนั้นกลายเป็นธรรมเหมือนกันหมดนี่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเปรียบเทียบีบุคคลที่สบุคคลที่4คือบุคคลต้องการไฟเอาไม้สดเอาไม้แห้งแล้วเอามาทําอย่างถูกต้องตามวิธีที่จะทําให้เกิดไฟถูไปอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ถูหนักเข้าไปเรื่อยทําความเพียรต่อเนื่องทําความเพียรหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหไปเรื่อย พอยิ่งขัดสีไปทไรายความร้อนก็ยิ่งสั่งสมก็ไปสั่งสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปจนสามารถทําให้ไม้ตรงนั้นเน่ยเป็นเขา่าดําๆขึ้นมาแล้วแน่สัญลักษณ์บอกสัญลักษณ์บอกไฟจะเกิดแล้วเป็นฐานดำดำขึ้นมาอ่เป็นควันขึ้นมาเป็นฐานแดงแดงขึ้นมาเอาปากเป่าพุได้เปลวไฟได้ไฟใช้เรามาคิดดูว่าก่อนที่จะได้เปลวไฟใช้เนี่ย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 เราฟังเกณฑ์นี้แล้วเรามามาเที่ยวกับเราเราเป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งหรือเปล่าอ่าเหมือนไม้สดชุ่มเลยอย่างเลยแช่อยู่ในน้ําอีกมีกายยังไม่ออกจากรกามมีใจยังไม่ออกจากรามหรือเราเป็นบุคคลเป็นบุเป็นเหมือนบุคคลประเภทสองกายออกจากรามแล้วแต่ใจยังไม่ออกจากกามอันนี้คราวว่าเราสามารถเอาเปรียบได้เราพยายามทําใจให้ได้รับความสงบเราอยู่บ้านคลองเรือนี่แหละ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 ก็เหมือนอย่างท่านสอนพุทธทวิจนะท่านบอกว่าแค่ทําจิตแค่ทําศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นเป็นพระโสดาบันแล้วท่านว่านนะแค่ศีลให้บริรสุทธิ์ศีลห้าให้บริสุทธิ์นั้นนะ่ะเป็นแค่องค์ประกอบองค์หนึ่งเท่านั้นเององค์ประกอบอื่นๆมีมากมายเยอะแยะไปท่านไม่เอามาพูดแต่ก็ดีมกันเป็นเหตุให้พุทธบริษัทของเราเนี่ยได้กําลังใจเออศีลห้าเราเป็นศีลห้าเราก็เป็นพระโสดาบันได้ระวังไปถือศีลศีลห้าเคร่งครัด แล้วไปสำคัญตวนว่าเป็น พ, พ, พระโสดาบันก็นแล้วกันะ่ะระวังให้ดียังมีองค์ประกอบอีกอย่างอื่นเยอะแยะสมาธิแนบแน่นมั่นคงละอย่างเป็นอธิจิตและยังปัญญาที่จะเดินให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดินแล้วอย่างถ้ายังไม่เดินฉชนไหนเลยแค่ถือศีลห้าจะได้เป็นพระโสดาบันไปยังไม่ได้อ่โสดาบันท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของท่าน จนสามารถลักสักกายยทิฐิได้สําคัญว่าตัวเองเป็นกายกายเป็นกายเป็นตนตนเป็นกายกายมีในตนตนมีในกายสามารถละความเห็นอันนี้ได้เห็นสัจธว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัจธว่าเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประจักษ์ชัดเจนในหัวใจของตัวเองที่ท้องเรียกว่าสักกายทิฐิละสักกายทิฐิ เดี๋ยวนี้พวกเรามันยากลำบากกับการละส ก, กายทิฐิเนี่ยเพราะอะไรเพราะความสำคัญมั่นหมายเนี่ยทำให้เราหลงทำให้เราเพลินทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ตามมาคือทิฐิมานะยึดถือด้วยมานะอัตตาตัว ต, วตนมันก็โผล่ขึ้นมาโอกาสที่จะเห็นอนัตตามันจะเห็นได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งปรัชญานี่ขึ้นมาในยุคนั้นสมัยนั้นมันเป็นปรัชญาที่ แหลมคม ด, ด่งดังทิ่มแทงไปในหัวใจของพวกศาสนาพราหมณ์เขาศา ส, สนาพราหมณ์เขาบัญญัติว่าพระนิพพานนั้นเป็นอัตตานะพวกพราหมณ์นะอัตตาอัตมันฟังแต่ว่าอัตมันอัตมันแล้วก็ทําจิตให้รักความสงบเมื่อสงบและตายไปพร้อมกับองค์ประกอบคือความสงบจะ ไ, ด, ไปปะด้ไปเกิดไปเกิดไปเกิดรวมกันกับพระพรหมที่เรียกว่าปรมาตมันปรมาตมันเข า, าพูดถึงแค่รูปธรรมเท่านั้นเอง นามมาทำท่านไ ม, ไม่ได้พูดถึงแต่ท่านพูดถึงความสงบอยู่พวกศาสนาพราหมณ์พวกนี้เขาก็เล่นความสงบมา ก, กเหมือนอย่างอุทกกระดาบทอลารา ด, ดาบทยุคนั้นสมัยนั้นฤาษีชีไพรเขามีความสงบสามารถได้ทั้งรูปธรรมรูปปสัสมาบัติสามารถได้ทั้งอรูปปัสมาบัติแต่ก็ติบตันอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้ยังจมปลักอยู่ในหกสิบทิฐิที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ไม่สามารถจะแว่ออกไปจากกองข่าย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 เอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดไม่ใช่เอาของไม่มีมาเกิดของไม่มีแต่ไหนแต่ไรมาย่อมไม่มีอะไรสืบทอดมาต่อเนื่องม า, อาเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดรูปธรรมสิ่ง ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่เป็น่ารู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมก็เอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดที่พุธทธเจ้าททรงตรัสว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ น, นี่คือวงจรกระแสการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ แต่ด้วยเหตุที่มันน่าเข็ดลาบตอนที่ว่าเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์มาครอบงํำมีความทุกข์มาครอบงำเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยววิโยคเดี๋ยวพลาดพลาดเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเสียไปเดี๋ยวคนใส่ร้ายอย่างนั้นใส่ร้ายอย่างนี้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตายที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นภาวะที่มนุษย์ทั้งหลายนี่น่าเข็ดน่าลาบ จึงเป็นเหตุให้มีต้องมีพระศัสดาเกิดขึ้นมาเพื่อคน้นคว้าเพื่อหาช่องทางเหมือนอย่างพุทธิยถาท่านทําความคล่องใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแก่เก็บตายกันแ น, น่ท่านเลยออกศึกษาค้นคว้าเพื่อหาสิ่งเหล่านี้แหละพุทธิยถาท่านออกบวชเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงบรรดาใ้เห็นเทวทูตเห็นไหมเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายและเห็นสมณะนั่นคือช่องทางที่จะพึงออกด้วยเหตุที่มีวิสัยของผู้เช่นนี้ ด้วยเห <when> ตุที่เรี่ยวแรงที่สร้างสมอบรมบุญญาบารมีสีอสงไขยแสนหมากับ8อสงไข่แสนหมากับ16อสงไขยแสนหมากับจึงเกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อปรารถนาเป็นมหาสัตว์พระมหาสัตว์สามารถจะมารื้อมาฟื้นสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากวัตฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตราบใดที่เรายังหลงอยู่กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่เห็นโทษในการเกิดในการแก่ในแกรเจ็บในการตาย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 เห็นคนเจ็บโอู้เราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายอู้เราจะต้องตายนี่สัมณนนี่แหละเป็นช่องทางที่เราออกไปแสวงหาความสงบวิเวกได้สติได้ปัญญาพิจารณาเห็นสัจธรรมเหล่านี้ได้อืเป็นเหตุให้พระองค์ตั้งประเดรณว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายกันแน่จนเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุธรรมในวันเพียรเดือนหกนั่นเองบุญญาบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราทั้งหลายโชคดีมากเกิดในกัปที่ท่านเรียกว่าพัทธกัปพัทธกัป มีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์กับบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอบัตนะกับบางกับมีพระพุทธเจ้าไปอบัตหนึ่งองค์สององค์สองค์แต่กับนี้เป็นกับที่มีพระพุทธเจ้ามาบัตถึงห้าพระองค์พระกักุสันโธเขาก็ล่วงไปแล้วพวกเราไปอยู่กันที่ไหนพระโคนาคมโนท่านก็ล่วงไปแล้วพระกัสโปพระพุทธเจ้ากัสโปล่วงไปแล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหน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 พอที่จะลืมตาอ้าปากพอที่จะทำจิตให้ได้รับความสงบพอที่จะทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารพืที่จะก้าวให้พ้นไปได้นี่เราพูดถึงอะไรมากมายเยอะเราพูดถึงปฐมสังายนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สครั้งที่ห้าครั้งที่หกมีแต่หลังจากมีการจดจารึกขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราศึกษาพระพุทธศาสนา บางทีพุทธบริษัทเรานี่ยขาดการฝึกฝนอบรมกาดการได้ยินได้ฟังด้วยบางทีอยู่ใกล้วัดป่าครูบาอาจารย์แท้ๆบางคนก็ไม่เคยสนใจแม้แต่คำพูดพุทโธพุทโธย้อนมาดูใจตัวเองก็ไม่เคยสนใจนี่คนเช่นนี้เราถือว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพบพระเสียรยามไตรใจและวพระยุคนั้นเป็นคนที่มียุคของคนที่มีบุญมาเกิดถ้าหากเราปรารถนาตั้งใจอย่างยิ่งยวดเรไปยังไม่ได้ยุคสมัยของพระองค์นั่นแหละจะมาเก็บตกพวกเรา ตกจากพระกะกุสันโธพระโคนาคมโนพระกัสสปโพระโคตโมพระศีริยะเมตไยโยมาเก็บเราไปเรียบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตั้งความปรากหนาถ้าท่านมีเกรดมีดีกรีพอท่านพบแน่นอนใครมีโอกาสได้ฟังธรรมะสมัยพระโอมาบัตคนนั้นมีโอกาสที่จะได้บรรลุอริยธรรมเพราะเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจฝึกฝนอบรมเห็นโทษเห็นภัยในวัตฏสงสาร พวกเราควรจะสนใจเรื่องคําบอกคําสอนควรจะสนใจเรื่องศินศินของตัวเองศินห้ามีอะไรบ้างขยับเข้ามาอีกศินแปมีอะไรบ้างขยับมาอีกบวชเป็นสามเณรสินสิบขยับมาอีกศินสองี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาพยายามดันให้มีศินสามบของพิษุนีวัยวัยนี้เห็นรูปภาพปรากฏออกมาว่ามีพิสุณีบวช แ ท, ท้จริงพิสุณีนั้นคือพระผู้หญิงถือศีลส1 1สิ 11, แต่ก็ขาดยุคขาดช่วงไปตั้งแต่นาง อ, าอะไรนะนางอะไรนะสังกนางสังขมิตาพิสุณีเป็นลูกของพระเจ้าอาโศกนะ่หลังจากยุคนั้นมาแล้วไม่ได้กล่าวถึงนะต้นตำนานไม่ได้กล่าวถึงพระจ้าอาโศกนะท่านไปทำบุญเมื่อก่อนนั้นเป็นนักรบฆ่าคนมากมายมหาศาล ตอนหลังมากลับใจเริ่มสายพุทธศาสน า, าแล้วก็ไปสร้างสถูปแล้วก็หาพระธาตุไปบรรจุ8 4 0 0มืนสพันสถูปทั่วชมพูทวีปแล้วไปถามพระโมคคัลลีบุตติสเถระโยมทําบุญถึงขนาดนี้แล้วยมเป็นญาติกับศาสนายังยังทงาไงยมถึงจะเป็นญาติกับศาสนาไ ด, ด้มีลูกหญิงให้บวชมีลูกชายให้บวช ถ้าบวชแล้วถึงจะได้ชื่อว่าเราเป็นญาติกับพระาศาสนาเดี๋ยวนี้ใครมีลูกหญิงลูกชายหลายๆคนแล้วไม่ให้บวชไม่ได้เป็นญาติกับพระาศาสนานะมีลูกชายสองคนก็ฝากพุทธเจ้าไว้สักองค์หนึ่งมีสองสามคนก็ฝากาไว้สักหนึ่งคนบางคนมีสองสามคนผู้ชายไปบวชเป็นญาติกับพุทธเจ้าก็เป็นญาติของพระาศาสนาหมดเลยนี่เราพูดถึง เราพูดถึงพิสุณีซึ่งมีนางสังคมะงคมิตาพิสุณีเป็นตอนหลังแต่พอพิสุณีขาดช่วงไปแล้วเนี่ยหาพิสุณีที่จะเป็นอุปชายยะไม่มีเดี๋ยวนี้สาเหตุที่มีเพราะเขาสมมติขึ้นเกิดขึ้นจากไต้หวันน่ะเขาไปบวชที่ศรีลังกาเราเคยไปศรีลังกาครั้งหนึ่งที่ดัมบุล่าวัดดัมบุล่าดัมบุล่านี่แหละเขาบอกว่านี่แหละคือต้นตอที่บวชภิษุณี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 ศีลแปดขยับขึ้นมาอีกท่านจะทิ้งศีลแล้วท่านจะเจริญสมาธิมันก็จุดได้ยากเมื่อท่านทิ้งสมาธิด้วยแล้วอย่าไปหวังเลยว่าท่านจะเห็นสัจธรรมด้วยปัญญาได้เนื่องจากว่าเราไม่มีกําลังพอที่จะไปขับต้อนตามรูก้กิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจของเราตัณหาในหัวใจของเราคือการมาตัณหาภวะตัณหาวิภะะวะตัณหาเราพูดแบบภาษาไทยไทยของเราว่าความอยากในหัวใจ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 ปีนเกลียวกับศีลเช่นอย่างศีลห้าเนี่ยว่าพุทธเจ้าอย่าฆ่าสัตว์อยากฆ่าอย่าลักทรัพย์อย่ากลัดอย่าพระพุทิผินในกามเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสะดวกสบายทำงานมีผู้หญิงมีผู้ชายอยู่ข้างๆเป็นฝูงๆอยงเงี้ยฝ่าฝืนในเมื่อเราฝ่าฝืนแล้วโอกาสที่จะทำให้จิตดวงนั้นได้รับความสงบเนี่ยยากมาก ไม่มีสินใ น, นเมื่อเรามีสินแนบแน่นมั่นคงแล้วจิตของเราก็ไม่มีอะไรมาก่อขวนให้จิตได้รับความสงบเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสินเสริมสมาธิไม่ใช่สินกลายเป็นสมาธินะสินจะช่วยส่งเสริมเป็นปัจจัยสนับสนุนสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยสนับสนุนปัญญาปัญญาคือจิตที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเนื่องจากว่าใจมีกาลังจากความสงบนี้เอง ครับใจไม่มีความสงบพิจารณาไปพิจารณาไ ป, กล า, ไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเน้นอ้าวสินนะอ้าวสมาธินะอ้าวปัญญานะถูกต้องตามหลักอริยมรรคมีองแปดครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจะใช้อุบายใดก็ตามพิจารณาจิตได้รับความสงบพระพุทธเจ้าจะทรงตรัดไว้ก็ตามไม่ตรัดไว้ก็ตามท่านตรัดไว้ว่าสมถะคือความสงบทํายังไงท่านทําด้วยเรี่ยวแรงยังไงท่านถึง จะทำให้ใจได้รับความสงบนั่นถูกต้องตามนโะยบายของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องถามว่าเอ๊พุทโธพุทธโทพทธพระพุทธเจ้าตรัสไว้เปล่าเอ๊ยไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่พุทธพจน์อย่าฟังอย่าศึกษาอย่าอกอย่าอบรมมันเพิ่มกําลังใจหรือมันตั ด, ตดทอนกาลังใจท่านดูเข้าไปสิเพิ่มกําลังใจหรือตัดทอนกําลังใจอท่านพิจารณายัางไงก็ตามเพืเ่อที่ให้ท่านเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา อันเป็นกิริยาอาการของตัณหาในหัวใจของท่านที่มันออกมาเพ่นพ่านในหัวใจมายึดกายามายึดเวทนามายึดสัญญามายึดสังขารแล้วก็มายึดจักวิญญาณมายึดจิตมายึดกายของเรามายึดจิตของเราท่านพิจารณาให้เห็นอนันนจ้อางทุกขรังอนัตตาความเป็นไปในกายเป็นไปในใจของเราพุทธเจาตรัสไว้ก็ตามไม่ตรัสไว้ก็ตามแต่เราทําถูกต้องแล้วเป็นอุบายให้ปัญญาเกิด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 อความสงบปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบพิจารณาเพื่อให้เห็นหลักสัจธรรมก็เช่นเดียวกันจากจุดประกายเล็กๆอ้ออันนี้จังยับอันนี้จังอ้อทุกขงังอ้ออนัตตาเข้าใจลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ยังเห็นได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญายาของตัวเองสามารถทําให้ความรู้สึกความโลภความโกรธในใจัองเราหมดไปก็ถือว่าความหลงก็จะบรรเทาเบ า, บาบางไปด้วย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 ไปพูดขัดแย้งกับพุทธเจ้าว่าเป็นกุศลมันขัดแย้งกันพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกุศลอย่างไงพระสาวกเขาว่าเป็นกุศลเพราะเห็นตามพระองค์ไปบางอย่างมันไ ม, ม่มีประจักษ์ยพยานพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะฉะนั้นท่านเอามาสอนแค่ใปไม้ในกํามือพวกเราก็เหลือแบกเหลือหามแล้วกบฏอย่างภิกษุที่ไปไปหาพระธรรมกติกกับพระวินัยทรนั่นแหละเหลือแบกเหลือจําหนสักวันจะศึกเห็นไหมเฮ้ยเราแค่ทำหมากิน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 พระสง์พระอริยสพระสาวกสามารถพูดผิดนะแต่ว่าผู้ที่ท่านเข้าถึงความจริงแล้วสัจจะปรากฏโร่นในหัวใจของท่านราคะโทสะโมห oh ะหมดไปจากหัวใจของท่านารู้สึกว่าป ร, รบธรร ม, มายาวอยู่นะน่าจะสมพอสมควรเก็เวลาแล้วแหละนะใครตั้งปรารบความเพียรพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็มาเกาะอยู่กับคําเทศคําพูดที่เป็นหลักธรรมะ ซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังหรอกนี่คงจะได้รับความสงบพอสมควรคงจะได้รับความอดความทนพอสมควรคงจะได้รับวิริยะอุตสาหะพอสมควรคงจะได้เนื้อหาอัด ร, รมเพื่อที่ไปไ ป, ปรับปรุงพอสมควรทางนี้รวมทั้งผู้กาลังบรรยายให้ฟัง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 เป็นเิก ง, งามยามดีแล้วมาประกอบภูณามความดีเข้ามาสูใ่ใจขอปปจ ง, เงเราครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดเมืองเราแต่ท่านเสียสละมาอยู่อย่างนี้ตั้งใจรักษาศีลยิ่งตั้งใจรักษาจิตยิ่งตั้งใจเจริญปัญญายิ่งด้วยบุญด้วยอานิสงส์ด้วยความตั้งอกตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายเสียสละด้วยเรี่ยวแรงเสียสละด้วยกําลังทรัพยบมันออกรองทาน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 ให้ดวงตาเห็นธรรมได้อัดได้ทมตามอัตาภาพแห่งตนแห่งตนโดยทั่วหน้ากันเถินพ อ, อสมควร